พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่4มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าฝึกตามครูดูตามอาจารย์เอาผู หมวดผ้ามูไหวพระสม่าสินหาเป็นพิธีเล็กน้อยหมดเพราะเป็นวันพระนะลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังของมาสูว่วัดว่าศาสานาขณะจะมีการรับสินนํ่วาสินอย่างหน่อยกระไดเหียนหลุไดเลียนลูกเรื่องการวิธีไหวพระสมธาศินอิมินา สกาเลนาทางพุทธทางอภิป e e ูชยามาอีมินาสกาเลนะทางธรรมังอภิปูชยามาอีมินาสกาเลนะทางสังฆังอภิปูชยามาอะ ระหังสัมมาสัมมุทโภควบทางภัคขวันตังอภิวาเดเมสวาคาโตภขวตาธรโมธรรมังนมสัมิ สุปติปนโนภาควโตสาวะกสวะสังโฆสังขังนามามิสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสลาเนนสหปัญจเิรานียาจามาดุติยัมปิมะยังพันเต วิสุงวิสุงราคนาทายาติสราเนนัสหาปัญจสิรานิยาจามะตัติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาติสลาเนนัสหาปัญจศิรานิยจามะ ต่างใจสมาทานสินวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระเป็นวันพระขึ้น15บห้า่เดือนสองลูกหลานมาบางคนก็ยังไม่เคยมาวัดหลวงพ่อในปีใหม่แต่แต่วันที่หนึ่งวันนี้เป็นวันที่สเป็นวันสุดท้ายนะวันนี้เป็นวันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์ เป็นวันทำการทำงานของลูกหลานเป็นวันสุดท้ายเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเพราะว่าวันที่หนึ่งและวันที่สองวันที่สองเป็นวันศุกร์ก็หยุดวันที่สวันเสาร์วันที่สี่วันอาทิตย์วันที่ห้าวันจันทร์เป็นวันทำงานของลูกหลานปีพุทธศักราช2005 158ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสองวันนั้นลูกหลานทั้งหลายที่มาทำบุญสงท้ายปีเก่าปีใหม่ก็ควรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าเป็นไปได้ก็นะ รักษาศีลทั้งวันวันนี้รักษาศีลไม่ยากนะคนดีรักษาคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วยากพวกเราจะเป็นเราจะเป็นคนชั่วแล้วจะเป็นคนดีนะถ้าเราเป็นคนดีนะทำดีง่ายข้าพเจ้าจะไม่คิดค่านี่ค่าอะไรก็ตามวันนี้ค่าสัตว์ตัดชีวิตตัวเล็กตัวน้อยข่ายุงข่าลิ้นข่ามดข่าแมลงอะไรก็ตาม ข้าพระเจ้าจะ ง, งดเห็นชีวิตของเขาชีวิตของเราข้อที่สองเรื่องขโมยเนะี่ยเราก็ไม่คิดทำอยู่ละ ล, ลูกหลานนะอธินาทานกาเมสุมิชฉาจารย์ก็นั่นนะก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วทุกคนก็ระวังมุสาเออเป็นญาป่าคอกบางทีก็ชอบโกหกตลกเฮหาเล่น ก็มีจริงๆก็มีอันนี้เราก็ระวังอีกเหมือนกันข้อสรุปแล้วก็คือข้อที่หนึ่งก็ข้อที่สี่เป็นข้อที่พวกเราจะระวังยากสักหน่อยแต่ถ้าว่ามีความตั้งใจยอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นยากอันที่ตรงไหนแต่ว่าข้อที่ห้าเนี่ยอันนี้ถ้าไม่ตั้งใจจงใจจริงหรือว่าไม่ติดจริงๆเราก็คงจะไม่ทะเลถลําดื่มของที่มือนเมา คงจะไม่ทำเพราะนั้นสินห้าข้อถ้าเรานึกดูที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันคงจะไม่ผิดเพราะหลวงพ่อเองก็อยู่กับลูกกับหลานกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมามากต่อมากเหมือนกันคือเป็นนักสังเกตเหมือนกันว่าสินข้อไหนที่พวกลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมเนี่ยที่ล่อแหลมทาได้ง่ายล่วงเกินได้ง่ายมีกี่ข้อ หลวงพ่อพิจารณารูแล้วก็มีอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งก็ข้อที่ที่สี่นะจับนวนนั้นก็คือทั้งอกตั้งใจจริงจึงจะทำสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าว่าพวกเราเป็นคนดีอยู่แล้วนะ<อ>ก็คงจะทําไม่ได้ในสิ่งในเรื่องเรานัดเพราะนั้นขอให้พวกเราขรรชทายาิโยมลูกหลานทุกคนนะสำรวมระวังวันนี้เป็นวัน ร, รักษาสินสงท้าย ปีเก่าปีห้าเจ็ดรับคุณงามความดีปีห้าแปดพนันวันนี้หลวงพ่อเองจะเป็นผู้พานำลูกหลานจมาทานศีลนะ <c oughs> โมตัสสะปะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโต a ร a สัมมาสัมพุท ธ, ธ, ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต a r a ห a t สัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต a r a ห a t สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต a r a ห a t สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนางคัตฉามิ พุทธัทงสระนางคัจฉามิธรรมังสระนางคัจฉามิธรรมังสระนางคัจฉามิสังขังสระนางคัจฉามิสังขังสระนางคัจฉามิทุติยามปีพุทธัทงสระนางคัจฉามิ ดุติยามปิพุทธังสระนางคัจฉามิดุติยามปิธรมมังสระนางคัจฉามิดุติยามปิมังสรนางคัามิดุติยามปิสังคังสระนางคัามิดตยามปิสังคังสรนางคจฉามิตาติยามปิพุทธังสระนางคัจฉามิตาติยามปิบุตังสระนางคัามตาตยามปิธรมมังสระนางคัจฉามิ ตาตียามปิธรรมมังสรนางคะชามีตาติยามปิสังขังสารนางคะชามีตาติยามปิสังขังสารนางคะชามีสารณคามานังนิธิตังสาธุอามะพันเตปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมาทิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะังสมาธิยามิอะธินาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะดังสัมาดิยามิสุราเมระยะมชัชฌะปมาทัฐานาเวระมะนีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิ สุราเมรยมัชปมารถานาเว ร, รมณีสิขาประดังสัมาดียามิอมานิปัญจะสิขาปะทานิสีเลนะสุขติิงยันติสีเลนะโพกสัมปทานาสัทุอามาพันเตสีเลนะนิพุติิงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยสัทุอา้ามันสององค์มันไปไหนไม่มานั่งนี่เว้ มาเขามาวิทยุเอาไว้นันก่อนเขามานั่งประจำที่ไม่ต้องปิดปมันหรอกไปหาเฝ้าทำไมวะเวาลาหลวงพอ่อยะถามมันเสียงห่างๆขาดๆไปนี่มันเบิ่งๆบิงหลวงพอลับตาบอกได้ว่าหามือนีลงตาเมื่อนตาเบิง่งหมอนลย มันไปหาลบอยู่เลยบาห้าสันประสันน้ำกันบาทฮใาห้พ่อนไปห้ยูิดห้พ่อนมันต้องมัดนางให้มันเต็มแถวใว่าพวกที่ห้พ่อนขึ้นกัน่ะห้พ่อนห้เสียงห้ดังนะบาทามโรงน้ำอนมาสันเสียงหนังกมงโขงเขียงบาทามาหายพ่อนปุ่้หมอบปุ่มหมอบปุมหมอุมหมอมันจังไรเนี่ยวะาตั้มยุ้ยเนี่ยฮะบาฮกินกินน้ำมูบาทฮาแล้วบ่หายพ่อนบ่เป็นตี มาให้พ่อนน้ำกันวะเอาเปียบมูนี่วะบาธาเถ่าแก้มมาเนี่ยที่ป้เปียกก่านี้บอขนาดน้อยๆนุ่นๆเน่เอาเปียบมูขนาดนี้วะเดี๋ยวฮา่วเจ๋อไท่านเชี่ยงเป็นผู้ห้พ่อนพวกเนี่เป็นผู้เมื่อนี่ยฮั่เจ๋ให้พ่อนสามซอเลยเมือนเี้ยเพื่อทดลองพิสัยทัดต่อไปพวกนี่จะเป็นพระเจ้าอาวาตเออล่องล่องพที่ป้วงจะเป็นเจ้าอาวาตแ้ พวกเข้าจิหูจักโอพวกใดมีมีแววจะอวัดไว้พวกเข้าจิหูจกักวอ <c oughs> มันเป็นอย่างแทวะนะเสียงเนาะ <c oughs> เอาเสียงดังๆนะพวกลูกลูกหาบนะพวกลูกหาบต้องเอาเสียงดังๆมุม ม, มับมุมมับวะไรเสียงแต่ได้เบามากเ <c oughs> มื่อในเขา้าสจพ่อนสามองวะเลี่ยงกันเลย ท่านเสี้ยงเป็นผู้ห้พ่อนท่านต่ำเป็นผู้รับยะถาป่าแล้วท่านต่ำเย็นผู้ยะถาท่านใช่เป็นผู้รับยทรัพย์พี่ป่าแล้วท่านใช่เป็นผู้รับทรัพย์เป็นผู้ว่ายะถาให้ท่านบิดเป็นผู้ห้เป็นเป็นผู้รับทรัพย์พี่โลกหาบตรงเว้าสามเถื่ออันดับแรกตรงว่ารัตนาตตยานะองค์ที่สองนี่ว่าอัคคโตวเวองค์ที่สามนี่เออ อายุดูพระโทษที่โล่นะเอาเริ่มเซียงยะขาวาลิวาฮาปูลาปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสพเพปุเรนตุสังคปา จันโภปนาราสโสยทามิโชติระโสยทาสกิติโยวิมานชันตุสตักขารุโคมิราสัตุมาเทขวัดวันตารายโยสุขิธขิขายุโคตาว ขันนาสีเรสานนจังว ขณนางลาพังสดที่ภักขยังสุขังพลังเสี่รีอายุจวันุจ้าคังวุติจจยัสวาสาตวาสาจายุจชีวสินทีพวันตุเพีอาวาตุสาพมังคารังมรักขันตุสาพลิวตา สามภะทุธานุภาเวนัสตาโสตีพะวันตุเตหาวตุสาพมังกาลามละคันตุสาปฏิวตาสามภะธรรมานุภาเวนัสตาโสตีพะวันตุเตหาวตุสาพมังกาลามละคันตุสาปเิวตา สัพพังขานุพาเวนสัา ส, าาสุตีอาวันตุเตอุทิสองอาวาริวะผูราภริภูเรนติสการังเอวะเนวะอิโตธินังเตตาังกุปกะปะที อิติตังปาชิตังตุมพังชิปเมวะสมิชันตุสพเพปูเรนทุกสังขปาจันโธปนารโสยะธามนิโชติ ระโสยะธาตุปิติโยมิวันชันตุสัพพรวอกมินาสตุมาเตณภาวัฏวันตารายสุขีขีพายุโกภาวะอภิวะอาณาสิริสาน เจ้บาบัวาป่าจายโนจารุนธรรมะวาททานติอายุวันนุสุขังอาวังอาโตเวปสัสนนานังอาขันธานังวิชนะตัง อาเกบุเถี่ปัสสนานั n ดักิ a ะเยออนุตระเรออาเกทำเนปัสสนานังอินวิ e าคูปัสเมสุเคอาเกสังเกปัสสนาบุญญเตอนุตเรอาสมานนังอังบุญังวตติ อาําอายุจวันโนจายาโซกิติสุขังปรังอากสซาาตมทาวีอาคาธรรมาสมัยตวเดวะภูตุมนโซวาอาคาปตตโมชติอาวตุสพภังสาังราคันตุสาปวตา สัมมาพุทธานุภาเวนัสาโสทิพวันตุเตอาวตุสาปมังกาลังรคนตุสาปเิวตาสัมาธรมานุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเตอาวตุสาปมังกาลังราคันตุสาปฏิวตา ตาข้าสังขานุขาเวนะจารสุตีคาวันตุเอ ใจจิตังปักจทังตุมัิเหว่สัมิจฉะตุสกเพื่เรนตุสังถาจันโทปนอรโสยธรรมนิชโยติรสโยาธาลาเตโอวิวา ใช่ พวกเราได้รับพรสามสามจบส่งท้ายปีเก่านะทงังหลายพระขาถาด้วยพหลวงพ่อเองที่หลวงพ่อไปเมื่อวันที่หนึ่งหลวงพ่อก็เป็นห่วงพระหลวงพ่อเหมือนกันโอ้ตายเพราะว่าพระเอาไปวันนั้นมีตั้งแต่ระดับหัวหน้าลงไปจนถึงองค์ ที่สิบพระสิบองค์ตั้งแต่หลวงพ่อลงไปเพราะนั้นอยู่ปลายแถวถ้าพระปลายแถวให้พรวันปีใหม่สัทธาญาติโยมมาเป็นยังไงวะหลวงพ่อไปที่นน่นหลวงพ่อก็ยังอดคิดวิตกกังวลไม่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยต่อไปนี่นะคงจะทำลักษณะอย่างนี้น่ะจนถึงปลายหางหนะให้เตรียมไว้นะองค์ไหนนะเพระ มันจําเป็นจะต้องได้สาธารณชนต้องให้พรให้ศีลให้พรเป็นถูกกิจจะลักษณะไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่เป็ น, นเฉลยไม่ได้เราเป็นพระสาธารณะเป็นพระของศรัทธาญาติโยมเป็นพระพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าทาอะไรให้คล่องให้ได้ให้ต้องฝึกต้องฝึก น่นไม่ฝึกจะได้อย่างไรต้องฝึกฝนอบรมผมนิสัยฝึกฝนถ้าไม่ฝึกไม่ฝนน่จะเป็นคนดีได้อย่างไรฝึกฝนกระทั่งเนี่ยกิริยามารยาททุกอย่างตลอดถึงให้ศีลให้พรทำนองอย่างไรที่หลวงพ่อพาพูดไม่ใช่ว่าพอออกไปแล้วกันทำไอีกแบบหนึ่งสเปะสปะตั้งที่มาศึกษากับหลวงพ่ออิน พอหลวงพี่อินตายกองฟอนยังไม่ยุบยังไม่มอดลูกศิษย์กระจุยกระจจยออกไปนอกลู่นอกทางไปฉันกับชดซ้ายซดขวาไม่มีมรรยาทไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีหลวงพ่ออินแนะนำสั่งสอนเลยเท่าครูบาอาจารย์ถ้าท่านสอนแล้วบอกกล่าวแล้วแนะนำสั่งสอนดีแล้ว ลูกศิษย์ไม่ปฏิบัติตามจะเกิดประโยชน์อะไรพราะเข้ามาเข้ามาเพื่อการศึกษาอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อไปศึกษาพระองค์หลวงปู่ล่าหลวงตาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อยึดแนวปฏิปทาของหลวงตามมากทีเดียวนะหลูกหลานคณาศรัทธาญาติโยมหลวงตาพาดําเนินอย่างไรแต่ว่ากิริยามารยาทที่หลวงตาดุดาว่าเก่านั้นหลวงพ่อไม่กล้าที่จะนํามาใช้ในขณะนี้ เพราะบุญบา ร, รมีของตัวเองมันไม่ถึงเราจะไปดุอย่างนั้นไม่ได้พอดุอย่างนั้นเดี๋ยวพอเหวี่ยงค้อนไปค้อนอาจจะกระเด็นมาหาเราอีกก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องสิ่งไหนที่จะที่เรานํามาใช้ไม่ได้สิ่งไหนที่เรานํามาใช้ได้คือปฏิปทาเรื่องแนวทางที่องค์ลุงตาพาดําเนินการวางตัวอย่างไร การแนะนําสั่งสอนอย่างไรอย่างนี้นะี่ยเราก็พยายามนําปฏิปทาขององค์หลวงตามาใช้อย่างที่ให้พรอย่างนี้หลวงตาพาทำไหมโอ้ยพาธทำหลวงพ่ออยู่ดีนั่นเนะี่ยเดี๋ยวอยู่วันดีคือดีมาเหลือบตาไปหนึ่งเอาองค์นั้นให้พรแต่ทั้งที่ไม่ได้ตั้งท่าใช่ไหมล่ะไม่ได้ตั้งท่าแต่นี้หลวงพ่อยังพูดนะยังแนะนํา ในการบอกให้พรในระดับผู้ใหญ่แต่องค์เล็กๆยังไม่ได้บอกนะให้พระเล็กๆองค์เล็กๆก็ต้องเตรียมพร้อมมาอีกเหมือนกันนะต่อไปนะไม่แน่นะไม่แย่องค์ไหนก็ไม่รู้ละ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเชี่ยให้ให้พรนะเ อ, อแต่นี่ก็พอหลวงตาชี่ยให้พรเนี่ ย, ยไปละอ้า่องนั้นให้พรหลวงตาหลังนี่ชฉยอง์นั้นก็นจะถาวาหรือว่าหาปุราปะริพผะ โอ้ยแบบมันเป็นยะถาวาริยะทิววะไม่ใช่วะอ่าออกพูดใหม่โอ้ oh. บางครั้งเนะี่ยเกือบเป็นชั่วโมงจะไม่ได้ฉันจังหันว่างั้ยแต่ทุกองหนึ่งหัวเราะไม่ออกนะต่างคนต่างกลมหนาถ้าจะองคไหนหัวเราะ อ, องนั้นจะให้พอรอีกทีนี่ผลนี้สุดก็เลยต่างคนต่างหัวเราะกันไม่ออกเนี่ย กว่าจะได้ชั้นจังหันบางทีถึงเน้นน้อยก็ไม่มีนะอ้าเน้นให้พรอนวันนี้เน้นน้อยก็พูดไม่ถูกอีกเนี่ยเพราะม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้แต่สั่งกลัวด้วยจะไงนี่ยเนี่ ย, นนยสิ่งเหล่านั้นน่ยท่านทําเพื่ออะไรทำเพื่อฝึกสิทธ์เมื่อเขาวจาเป็นมาเราเราจะได้ใช้พูดให้โทรท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรยอย่างหลวงพ่อเนี่ย ถึงหลวงพ่อจะไม่ได้ถูกให้พรก็เถอะหลวงพ่อก็ฟังฟังการให้พรทำนองของท่านที่ท่านพาดำเนินมาอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะต้องศึกษาทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินถ้าหาว่าเราไม่พอใจเขามาอยู่แล้วไม่พอใจหลวงพ่อเนี่ยพาดำเนินอย่างนี้ เราจะอยู่ไปเพื่ออะไรเราจะอยู่ไปทำไหมในเมื่อเราพอใจในการแนวแนวปฏิปทาที่หลวงพ่อพาดำเนินหรือครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่เราเข้าไปศึกษากับท่านพาดำเนินเราก็อยู่เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จากนั้นเราจากนั้นเราก็นำแนวปฏิปทาของท่านไปปฏิบัติไม่ใช่ว่ามีแต่ชื่อว่า เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาพอกระทาออกมาแล้วมันไม่ไปตามแนวแถวที่หลวงตาพาดำเนินออกนอกรูกนอกทางแสวงหาอะไรของพี่อะไรกาลงกาไรในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหลวงตาพาดำเนินไหมอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นศิษย์ที่มาศึกษากับครูบาอาจารย์ต้องดูต้องสังเกตต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องนำไปประพฤติธปฏิบัต มันจึงจะถูกนะถ้าเข้ามาแล้วไม่นำไปปฏิบัติจ ะ, ะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนกเราไปเรียนบัญชีพอแล้วจะไปทำเกษตรก่อนที่จะไปกลับไปคําถึงหาเกษตรวิธีการเกษตรมันก็ยากเมื่อเราเรียนเกษตรแล้วไปทำบัญชีทำไรไปทำได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันเราอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนเราศึกษา จากนั้นท่าก็นําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราให้เป็นพระที่ดีให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมพินัยให้เป็นตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูว่าจาร์ที่ตัวเองได้เข้าไปศึกษาและนําไปประพฤติปฏิบัติมันจึงจะถูกมันจึงจะเป็นชลิเป็นมงคลสนบตัวของเราเนี่ยนะอย่างหลวงพ่อเหมือนกันศึกษากับองค์หลวงตาศึกษากับหลวงปู่ล่ามาหลวงพ่อก็นํามาประพฤติปฏิบัติ แล้วหลวงพ่อภาคภูมิใจไหมภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้นำแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดคือว่าเราเดินตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีแล้วนะมั่นใจการจะได้นำสั่งสอนบอกกล่าวดูดาว่ากล่าวใครก็มั่นใจเพราะอะไรเพราะเราได้ศึกษาท่านเคย ดูด่าว่ากก่าแนะนำสั่งสอนเรามาแล้วเราได้เคยถูกแนะนำติเตียนหรือว่าชมมาแล้วดูด่าว่ากก่ามาแล้วมาแล้วเพราะนั้นเราจึงนำแนวที่ตัวเองได้ศึกษามาแล้วก็บอกกก่าแนะนำสั่งสอนพาลูกพาหลานศรัทธาญาติโยมด้วยความมั่นใจเพราะอะไรเพราะเราได้ศึกษามาอย่างที่เราแนะนำสั่งสอนไป นี่แอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัทธทาญาิโยมเหมือนกันนะเข้ามาศึกษามาดูวัดว า, าศาสนาครูบาอาจารย์ศึกษาออันนี้เป็นไปเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยไหมไปตามกฎระเบียบไหมสินลวินยัยถามว่าพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็จะรู้ได้แต่ผู้ไม่ได้บวชก็จะหลักธรรมวินัยก็คือหลักเหตุผลนั่นะ หลักเหตุผลดูดูแล้วมันมีเหตุมีผลแล้วมันคล่องในตาในใจของเราในหูของเรานะ่ะฟังแล้วมันคล่องในหูในตาในใจของเราอันนี้คือหลักเหตุผลหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องถ้าฟังดูแล้วเห็นแล้วมันคว้างตาเนะี่ยต้องศึกษาแหละจุดนั้นนะต้องศึกษาต่อเ น, นี้ไปให้พรสามจบแล้วนะที่นี่นะหลวงพ่อจะไม่ให้พรซ้ำแล้วเดี๋ยวให้พรซ้ำสีอีกไม่ได้ เอาตอนนี้ไปก่อนจัดอาหารแลวเนตรนีน้าได้พรสามจบแล้วไนงะ